ทำกันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติให้เป็นความมั่นใจกับคาสอนโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติมันทําได้ปฏิบัติได้มันให้ผลได้เราก็เหมืองกายเมืใจเราก็มั่นกายมั่นใจกับกายมั่นใจกับ จิตใจของเราถ้าเราไม่หลักปฏิบัติเหมืนกับเราอยู่ในบ้านที่มีหลังคาดีหนตกก็มั่นใจว่าจะไม่เปียกนอนในมุ้งที่มีมุ้งกลางก็งมั่นใจว่าโยงจะเข้าหมากัดไม่ได้มั่นใจว่าเราไม่ล้มในมือ แม่ฝนจะตกลงกลางล้มออกก็ไม่เปียกได้เราก็มีอาชีพในการปฏิบัติเดี่ยวแล้วก็มีอ า, า, เ, อาเป็นอาชีพที่มีความมั่นใจที่สุดเลยโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิด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 เอาใส่น้าผลเอาใส่พืชการดื่น่าปลูกก็ยังไมีความมั่นใจแล้วก็มั่นใจจริงๆไม่อดไม่หยาดทำได้จริงจริงฉลาดในการทํานานี่เรามาปฏิบัติทำมีควาศสนมีทาง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 ไม่มีข้อขัดแย้งเลยนี่ก็ยังไม่กลวามั่นใจผลขับรถแม่แต่เป็นเป็นรถไม่ใช่กายใช่ใจจริงๆถึงก็มั่นใจในรถของเขาที่เขาขบขึ้นเขาลงเขาว่าเขาจะนำรถเขาลงเขาเขาจะนำรถเขาขึ้นเขาได้ เชื่อมั่นคนผู้นั่งก็น่ากลัวแต่คนลูกขับก็ยังสบายเพราะมีความมั่นใจเคยถามเขาคุณมั่นใจหรือว่าคนจะขึ้นได้ก็บอกว่าความมั่นใจมั่นใจอะไรมั่นใจในรถเขาเวลาลงรถมีน้ำหนักคนมั่นใจหรือว่าจะลงปลอดภยัย ก็ ข, ขาบอกว่ า, วามีความมั่นใจแสดงที่ความมั่นใจในความสุขจับพวงมาลอยจะหยุดก็ได้จะช้าก็ได้จะไวก็ได้การปฏิบัติธรรมแน่ยิ่งกว่านั่นอีกมันสัมผัสได้กับพีวิตจริงๆเป็นความรู้จักตัว ไปในกายกายก็มีจริงๆเหมือนเรามีเรือที่จะนั่งบนเรือนี่ข้ามฟากแล้วก็ผ่านได้มีน้ำทำให้เราได้รู้จักขับเรือเป็นชีวิตของเราก็เช่นกันวันมี ความพอใจความไม่พอใจเวลาเราเดินทางเวลามีสติภายนกาจะเห็นเรื่องนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ให้ความพอใจเป็นความพอใจไให้ความไม่พอใจเป็นความไม่พอใจเราก็รู้จักตัวขับขึ้นตรงนี้ได้ พาขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นเร่ขึ้นเล่าก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นนั่งเรือก็มั่นคงมากขึ้นการใช้ชีวิตในการขับเรือก็สะดวกชำนาญมากขึ้นเช่นนี้ได้ผ่านความพอใจเป็นความรู้จึกตัว ได้ผ่านความไม่พอใจเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความยากเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความง่ายเป็นความรู้จักตั ว, มมวได้ผ่านความสงบเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความพุ่งสั้นเป็นความรู้จักตัวไปเรื่อยๆไปมันเป็นทางผ่านมันเป็นขึ้นแต่ว่าผ่านได้แล้วก็ไม่เหมือน <te lek> <te lek> ไม่เหมือนที่มันยังไม่ผ่านเอาไว้ข้างหลังทือผ่านไปข้างแล้วข้างเล่านี่คือเราปฏิบัติการผ่านคลื่นในชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่จริงตัวมีลูกก็าจะาคิดมีเป็นเตื่องลูกคนมีอะไรก็าจะาคิดหลายด้า น, น ครามเมืความทุกข์อาจะไหลไปทางความทุกข์คว ม, มีความสุขความรักความเบียจฉังก็ไหลไปตามควา ม, าวามลักความเกียจฉังเราจึงขับผ่านขึ้นไปได้ให้รู้จักตัวคือมันพ้นไปได้หลุดพ้นไปได้ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นสเสมือน มีผู้ช่วยมีผู้บอกเสมอเร่ยนพระพุทธเจ้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกวามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อะนิพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากนี้ ส่วมากเราจะกระทบกันทีน่กันจูกเปนสูบทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงรักเป็นลักเจ็ดสังเป็นเจ็ดสังพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นความไม่พอใจมนุษย์ส่วนมากย่อมอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นเรานี่ยแหละจนมาถึงที่ไม่มีน้ำกรรมจนแล้ว ก, กามเฉยก็คือความพอใจ เป็นกรมอ่อนแอรกรรามมาชัชจุกะนิการุโยกถ้าไม่พอใจก็เป็นกามอ่อนแอเป็นกามมาชัชจุกะนิการุโยกอ่อนแอเกินไปเป็นทางตือนเราจึงมีความเชื่อมแข็งในจุดที่อ่อนแอเนี่ยเวลาเราปฏิบัติได้บทเรียนได้ประสบการณ์ เกับกายเกับใจเรานี้มากมายอันมีรสของโลกรสของโลกคือพอใจไม่พอใจจงถ่องความพอใจเลยไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเหมือนความมั่นใจได้เห็นจริงได้เดินไปตรงนี้จริงๆได้สัมผัสกับจริงตรงนี้จริงๆ เน่ต้องถามใครรวมหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องนี่ของจริงรวมทุกข์ไม่ถูกต้องกว่าไม่ทุกถูกต้องนี่จริงได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้แชื่สิ่งเหล่านี้ที่มาเกิด ก, กับชีวิตของเราฟังแล้วฟังเล่าจนเป็น จลิตนิสัยได้แก้มันได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนร่อยเป็นดีแล้วก็พอใจในอาชีพนี้ได้ว่าเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมากับผลของการปฏิบัติปฏิบัติได้ให้ผลได้มันเป็นอย่างนี้ล่วงพ้นภาวะเก่าหรือมันเป็นอย่างนี้นำมาแท้ๆนำมาทางนี้ โดดมาท้งนี้เสมือนเลาจึงเข้าอิม่มความอิ่มมันเป็นอย่างนี้ความหิวเป็นอย่างนุงน่นชีวิตจิตวิญญาณที่ได้ฝึนขัดมันก็บอกความเท็ความจริงเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติบรรได้ทั้งปัญญาได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิมั่นใจมั่นใจในสมาธิ ปัญญาก็าได้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงตรงไหนที่มีปัญหามีปัญญาตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้เรียว่าปัญญาถ้ามีสติเป็นหนทางเป็นบทฝึกหัดเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ขี้วัดบอกผิดบอกถูกแต่ต้องมีสติเหมือนมีตานไหน มกัตาเนื้อถ้ามีตาเลืนตาขึ้นก็ต้องเห็นตาในก็ยิ่งเป็นหน้ารอบกว่าตาเนื้อนี้เห็นเป็นวงหน้ารอบยิ่งกว่าตาเนื้อเป็นหน้ารอบเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงนีออน สว่างรอบๆอย่นี้ไม่ใช่เหมือนฝ่าชายแล้วก็มีความมั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติถ้าเราขึ้นฝั่งได้ม่าจะไม่เหมือนกนอยู่ในน้าอยู่ในขึ้นขึ้นมันมีอยู่จริงแต่ว่าอยู่บนฝั่งเราขึ้นฝั่งได้ขึ้นมากระทบฟังก็หมดไป ถ้าเราไม่ฟังขึ้นฟังได้เทียบท่าได้เราใช้กายใช้ใจเป็นพ่วงเป็นแพรขับขี่ขึ้นฟังใช้กายใช้ใจได้สำเร็จมีอเนกสงมีกายมีใจละความชั่วได้ทำความดีได้ ก็ที่วนปั่นก็ย่อมไม่กระทบกระเทือนกับคลื่นก็ราะสัจธรรมจ้กายก็สัจธร่มกายสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าสุขว่าทุกข์วิติมนคิดที่เคยยอมอารมณ์คู่กับจิตก็รักแต่ว่าจิตไม่ใช่จัดบุคุณพร้อมทั้งหลายที่เป็น กุศลและกุศลก็สักว่าทรรมไม่ใช่สัตว์บุกลแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในรถของโลกสัมผัสกับรถพัะธรรมได้บ้างเห็นกระแสแห่งพระานได้บ้างเอามาทางนี้มาทางนี้เป็มั่นใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆไป ทไมังไม่มั่นใจเออเราทำอยู่กรรมฐานเป็นหลักเกาะเป็นหลักการกระทําตัดเป็นตัดกรรมลู่จุกตัวรูเกอดเกื่อนไหวคู่เฉีนดอกคู่เฉีนเข้าเยื่อเฉีนดอกเออะไรเกิดขึ้นมาก็ดลู่ลู่ตัดลู่ตัดมาถึงภาวะที่ลู่ ถ้าไม่รู้มันเป็นวัตตะวัตตะคือวังวนหลงเรื่องเกา่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเกา่าทุกแล้วทุกเกี่ยงโกดเรื่องเกา่าโกดแล้วโกดีติดเหมือนเคยเป็นวัตตะถ้าไม่ตัดตัดตรงไหนตัดตรงกรรม วัตถุมสามคือวิเลษกรรมวิบากเหมือนกับห้วงน้ำคนไม่มีวิชากรรมฐานก็อาจจะผ่านห้วงน้ำอะไรทจะโจมด้ำไปเลยชีวิตทั้งชีวิตชีวิตโจมน้ำขึ้นฟังไปได้สุขเป็นสุขรวโจมลงไปแล้ว ทุกเป็นทุ ก, กโกรธจมลงไปในน้ําแล้วขึ้นฝังไม่ได้หลงเป็นหลงโจมลงไปแล้วโกรธเป็นโกรธจมลงไปแล้วผู้ทีขึ้นฝั่งได้ว่ามีท่าเทียบท่าได้เห็นมันหลงม่ได้เป็นผู้หลงเนี่ยกําลังจะขึ้นฟังได้ เป็นบรนทุกไม่เป็นผู้ทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์เดียขึ้นฝั่งได้นี่ชีวิตต้องเทียบถ้าดาเป็นเลิกขึ้นไปได้้อยคอชีวิต้อยคอมีจิตใจก็ไม่มั่นใจตัวเองทุมร้คุมดีเรยกว่า้อยคอแล้วแต่ อารมณ์จะพาไปไม่ไรลูจริ่งตามไม่ลู้เห็นตามความเป็นจริงสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าจิตอจิตตะวันของจิตคือมันคิดความเป็นั้งจิตก็คือตรงนี้ล่ะมันคิดขึ้นมาเห็นมันคิดอยากเข้าไปอยู่ในความคิดมีกรรมฐานลู่ตัดลู่ัด ติกรรมคิเลสกรรมวิบากจิเลสคือติดกรรมคือคาการกระทำวิบาก ค, คือเสวยผลที่เป็นจิเลสเป็นกรรมก็ทำกรรมไปก็เลยติดเป็นวิบากสุขดก็เป็นสุขทุกข์ที่ดก็เป็นทุกข์เหนคนสุบุรี่ ตตกรรมตัดตรงหนยิเลตกรรมวิบากเป็นวัฏฏะวัฏฏะวนมอล้วนไหเกิดก่อนเช่นชนรูปหลี่เพสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบแม้วิบากยิเลตกรรมวิบากถ้าเปรียบเทียบก็บเหมือนคนติด บุติดสิงเสพติดติดกรรมกุณทั้งหลายติดรถของโลกกรรมฐานติงตัดตรงนี้กรรมที่ ต, ตรงนี้ตัดตรงกรรมมันตั้งต้นที่กรรมคือการการะทำกรรมเป็นตัวการใหญ่เพราะมีการการะทำเพราะสูบไม่ยติเพราะติดถึงอยากเพราะอยากถึงสู่เพราะสูบตั้งติด ต, ตรงกรรมนี่แหละ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 กรรมคือทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมคือจิตคือมันคิดนี่เป็นใหญ่ตัวการใหญ่ก็ตัดตรง น, นี้มันจะต้องเห็นทุกคนเวลาเราฝึกสติที่มันหลอกได้จางในความคิดเนืงรู้จากตั ว, วมันคิดไปโน ด, ดกลับมา กลับมาลู่จากตัวนี่ตัดกรรมตัดกรําตัดเว้นตัดกรรมตัดเว้นตัดกรรมน้องปูเทียนบอกว่าลู่ตัดลู่ตัดลู่ตัดนี่ความลู่มันเป็นอย่างนี้เมื่อตัดแล้วมันก็วลังท่าลักยาวให้บันลักสั้นให้โตลักยาวให้บันลักสั้นให้โต ถ้จะให้สติยาต้องตัดตัวหลงหลงใจลูกความยาวควาติไปเรื่ได้ความลูกเพราะความหลงมันยาวตรงนี้ได้ความไม่ทุกข์เพราะความทุกข์มันยาวตรงนี้ปัญญาสติปัญญาแตบความสั้นคือไอ้โตเลิกยาวให้บรรลุสันนิโต ตอความรู้จึกตัวไปเลยแล้วมาจะได้ความหลงจะได้สั้นก็มามันจะไม่มีมันจะไม่เป็นวัฏฏะงั้นจะไม่ปูโยงมนกวดเรื่องเก่ากวดแล้วก็เด็กทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกเก่งเป็นวัฏฏะวัฏฏะตรง น, นี้ก็เรียบชีวิตเรียบมากจฐานเหงินทางมิตรภาพ เท้ามใส่แก้วไม่กระเพื่อมเลยมันเรียบทำไมจึงเรียบได้เพราะมันตัดใบมีดแท็กเตอตร์มันตัดใบมีดกรดกรดมันตัดตรงไหนสูงตัดไปตรงที่สูงตัดไปติดใบมีดเวไปถมที่ต่ํามันก็เรียบหลายรอบตอนนี้ยิ่งเรียบหลายรอบตอนนี้ยิ่งเรียบแม่ อ่านคำว่าลู้เฉยๆเนี่ยมันก็มันเชืรลู้เฉยๆเป็นทางไปม่าจะเรียบผูก ข, ขาดไม่จะเรียบจะได้ง่ายมากขึ้นทีแรกก็ง่ายที่จะหลงเปลกไปเปลไปง่ายที่จะไม่หลงเป็นอย่างนั้นวิชากรรมถานเนี่ย ไม่มีวิธีใดจะสอนคนแล้วจนใจจริงๆไม่มีวิธีใดที่จะมาบอกสอนความเท็จของจริงที่มาเกิดเกิดกายกับใจเหล่านี้นอกจากพชากรรมฐานจึงต้องพูดตรงสอนก็นอยู่นี้ขอใช้ชีวิตอย่างนี้แต่ใช่มาแล้วเกือบจะห้าสิบปีแล้วมันก็จนใจไม่มีวิธีใดอีกแล้ว เราคือความรักมานย์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นวัฏฏะให้มันขึ้นฝงได้ทุกชีวิตเนี่ยเจอหนุ่มแต่น้อยก็ยังดีหลอให้เท่าไหร่แกมาได้ก็ใช่ไหมถูกก็จรลงไปในวัฏฏะเพื่อเจริญตายไปเฉยเฉยจุจก็เป็นจุกอยูเชนนั้ น, น, นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เช่น น, นั้น พอใจก็เป็นความไม่พอใจอยู่เจนนั้นไม่พอใจก็เป็นความไม่พอใจอยู่เจนนั้นอะไรล่ะที่เป็นสมบัติของชีวิตจริงๆนะทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่าทางนั้นบุตรปัญญาสามีหรือเปล่าทางนั้นเก็บคนเดียวตายคนเดียวเราเก็บก็เป็นเก็บทุกข์เพราะความเก็บทุกข์เพราะความเจ็ทุกข์เพราะความตาย ไอ้สิงที่มันเป็นรถของโลกพาเป็นไปงัแ้แล้วแต่มันจะพาให้สุกให้ทุกข์่างที่สุกทุกข์ก็เป็นสุ ม, มุิเดาเป็นบัญญัติเดาเอาวัตถุมาเป็นฉุกเวัตถุมาเป็นทุกข์บัญญัติเดาวสมมุิบัญญตัติวัตถุอาการต่างๆใจกว่าชีวิตเราเลยแล้วแต่ สิ่งที่นั่นมันจะเป็นอย่างไรตอนนีสิ่งที่รักก็จะพัดพากจากไปก็ทุกข์เพราะความรักเสียใจโกรธคือในรถของโลกมีเยอะแยะนะมีเนินทรรเสินิญมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเสื่อมไม่เจริญนี่เป็นสมบัติของโลก มาช่วยเราโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดมาพอที่รู้จักโลกเื่อนอยู่ที่นี่มาหลายปีส0สิบปีก่อนที่นี่ก็ไม่เหมือนอย่างนี้อะไรที่มันไม่เที่ยงือนบทไปแล้วจริงๆมีเหตุกัดดังหรือดูนี้หมดไปแล้ว แต่ก่อนเจ็บได้เป็นกระสอบกระสอบในวัดนี้แต่เขนทองไม่สีล้มลงที่นี่ถ้าสอกข้าแขนก็เกิดเหตุหลังกระ ด, ดา้างเดี๋ยวนี้ไม่มีขนด้ไม่มีใบโหเนี่ยเหตุโกใเหตุกระ ด, ดา้าง สัตว์บางเพศก็หมดไปรืหรูหนาวสัตว์ในานา้ำโลง่งตลอดคืนมีงูดมีอะไรอย่ยอยงเยอะๆหน้าฤดูฝนก็สัตว์ในา น, าน้ำโล่งเปลียป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงกันไปสัตว์บกนกต่างๆหมดไปแล้ว สุพโนะเลยไลหมดไปแล้วอาหารบางอย่างหมดไปแล้วงี้แต่ของไม่ดียังเหลืออยู่ น, น่ากวาเน่าเกิดหนอนต่กวนแมงอ้งแง ง, ง, ง, ง, งอแมงกัสโ ซ, โ ซ, ซ่แมงหลังงาแมงก้องแขนแมงมะเหลงอะไรต่างๆในนั้า เหวยงกระแตงตากลงไปได้ของอยู่ของกื่นไม่กี่นาทีในน้ำเดี๋ยวนี้มีแต่หนอนมันก็เป็นอย่างนั้นโลกนี้เราจะเอาใสอะไรเป็นแฉนสารพึ่งพาใส่อะไรเดี๋ยวนี้ก็วันวิถกันทั่วโลกโลกวัน สบรุจชุดโซมไม่ว่าจะประเทศไทยที่ไหนก็เหมือนกันหมดไปธรรมชาติก็เปิดมากขึ้นเดี๋ยวนี้เพนดินเดินไปก็มีแต่ภายอากาศหายใจก็มีแต่พิษภายน้ำก็มีแต่พิษแต่ปายอาหารก็มีแต่พิษแต่ปาย แต่ก่อนไปทำนาทำไรหยินน้ำรอยวัวรอยควายได้เดี๋ยวนี้น้ำควดนัก็แพงมากแพงกว่าน้ำมันเราจะทำยังไงต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจหาเงินหาทองเขาคนใช่มากบริโภคนิยมมากเกินไป ปุ่งเผื่อเกินไปถ้าเราปฏิบัติจะสัหลวมหลงใช่ไม่มากถ้าเราเป็นนักปวดไม่ได้แย่งอาชีพใครขอจึงเข้าวันละบาทแอ่นี่ก็วันละถ้วยยินสองถ้วยมาได้ก็ไม่มากเราจึงไม่เอาเปรียบใคร มาอยู่ในเพศนี้คงไม่เป็นบาปเราก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเราจะบอกผิดบอ ก, บอกถูกแกผู้ใจคนอย่านี้จะไม่มีใครจักสีคนที่สนใจเรื่องนี้ก็ยังอุ่นใจเห็นพวกเรานักปฏิบัติม่แต่ปัญญาชนเยี่ยมวายเวียนบาที่นี่ก็รู้จึกว่าพอไม่หวัง จะได้ช่วยกันเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตามาช่วยสิ่งที่ดีให้ขึ้นมาเอาชนะสิ่ง ท, ที่เลวร้วายให้หมดไปลูกหลานเราเกิดจุดท้ายผลหลังเขาจะได้มีที่อาศาัยนี่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่านั่งสอนกับว่าจานอย่างเดียวตรง เพื่อโลกอยู่วันที่หนึ่งตันวาก็จะเดินนบบัญตาขั้งที่สิบสี่บอกก่าวป่อร้องไปยังหมู่บ้านใครมีต่างๆให้มาดูโลกช่วยโลกช่วยสมชาติป่าไม้ร้องไห้แม่นม้ำาลมป่วยแผ่นดินเป็นธรรมภาดอากาศเป็นพิษใครจะช่วย เรายัางมีสอสอสอวช่วยอ๋อน่นนี่แต่ว่าจริงเหล่านี้ไม่มีใครช่วยมีแต่คนที่ลุมทำ้อยเข้าไปแลาจะเป็นตัวแทนของธรรมชาติดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตามความสามารถทีเราเห็นคุณค่าจริงเหล่านี้ เห็นคุท่าของพ่อของแม่ที่เราได้เกิดมาได้กายได้ใจมาเมือห้านิ้วเิ็บนิ้วขอทำความดีอยไม่เอากายเอาใจนี้ไปทําความชั่วเด็ดขาดอยเอากายเอาใจมาทําแต่ความดีมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ก็ทําทแต่ความดีที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อโลก นี่แล้วก็มีเพื่อนบีมิตยังหูนใจโยมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันพูดไปก็หมูเทียงเราดัง <laughs> อ๋อรั้เจ๊เวลาจะพระพ่อเงัน